วันนี้เป็นวันเสาร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่สาธุชนพุทธบ ร, ริษัทมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาหาความรู้ จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสั่งคำสอนที่ประเสริฐเลิศโลกเหนือกว่าคำสั่งคำสอนทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะคำสั่งคำสอนทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถทำในสิ่งที่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะทำได้ นั่นก็คือการพาผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตาม <c oughs> ได้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นั่นเองให้ได้รู้ว่าจิตใจของตนนั้นเป็นจิตใจที่เป็นเหมือนนักโทษที่ถูกจองจำอยู่ใน อยู่ในเรือนจำแห่งสังสารวัฏหรือไตรภพนั่นเองได้แก่การมาพบรูปภพและอรูปภพเป็นเรือนจำที่ไม่สามารถที่จะเล็ดลอดหนีออกจากเรือนจำนี้ได้ยกเว้นถ้ามีผู้ที่ฉลาด อย่างพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มาปรากฏขึ้นในโลกนี้และมาสอนวิธีที่จะพาให้จิตใจที่เป็นจำเลยของสังสารวัตนี้ได้หลุดออกจอากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพียงผู้เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้า แลพะพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ที่จะเป็นผู้ที่ <c oughs> <c oughs> นำพาผู้ที่ศึกษาผู้ปฏิบัติได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ได้มีการเวียนว่ายตายเกิดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานการเกิดนั้นเป็นทุกข์ เพราะว่าจะต้องพบกับการแก่การเจ็บการตายพบกับการพัดผ้าจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆความทุกข์หรือน้ำตาที่ได้หลังจากเหตุของความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ของแต่ละภพแต่ละชาติถ้ามารวมกันแล้ว จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คือปริมาณของภพชาติที่พวกเราทั้งหลายได้เวียนว่ายตายเกิดกันและจะเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนี้ต่อไปอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วศึกษา <c oughs> ด้วยศรัทธาและนำเอาไปปฏิบัติถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ภายในพบนี้ชาตินี้เลยมีผู้ที่ในอดีตได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีได้พบกับพระอริยสงสาวก็ดีได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของท่านเหล่านี้พอได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อเกิดความยินดีฉันทะวิริยะ ที่จะน้องนำเอาคำสั่งคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกสั่งสอนนำเอาไปปฏิบัติอย่างเพ่งครัดจนในที่สุดก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลย นี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่ออดีตไม่ได้ทำเพื่ออนาคตแต่ทำเพื่อปัจจุบันอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราย้อนกลับคืนไปไม่ได้อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือในปัจจุบันนี้ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีวิริยะความอุตสาหะ ความภาคเพียงเราก็จะสามารถที่จะบรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆและหลุดพ้นจากความทุกข์ในขั้นต่างๆได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่สูญเปล่าไม่เสื่อมไม่หมดอายุเป็นอากาลิโก ตามของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการลิโกคือไม่มีวันหมดอายุสังเกตดูทุกวันนี้สินค้าที่เราบริโภคกันพวกอาหารยาต่างๆเครื่องดื่มต่างๆมักจะมีเขียนวันหมดอายุคำว่าวันหมดอายุก็คือวันที่สินค้าที่เราจะเอามาบริโภคนี้หมดสมรรถภาพหมดประสิทธิภาพ ที่จะทำหน้าที่ของสินค้าเหล่านั้นได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันกำกับอายุหมดวันหมดอายุเป็นอาการโกรเป็นธรรมที่เสมอต้นเสมอปลายคือในอดีตจะมีความสามารถที่จะ พาผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ชั้นใดปัจจุบันพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังสามารถนําพาผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกัน นี่คือคำว่าอาการิโกไม่หมดอายุบางท่านบางคนมักจะพูดกันว่าสมัยนี้ปฏิบัติไปก็ไม่ได้ผลหรอกเพราะว่ามันไกลห่างไกลจากสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศและทรงสั่งสอนพระธรรมอันประเสริฐนี้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่าไปเชื่อ คำพูดคำสั่งคำสอนแบบนี้ว่าพระทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้หมดประสิทธิภาพแล้วไม่สามารถยังประโยชน์คือมรรคผลนิพพานให้แก่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติได้เพราะมันขัดต่อหลักความเป็นจริงของธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นอาการวิโกนี่แล้วก็ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เหมือกับได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยเพราะพระพุทธเจ้านั้นทรงได้ตัดสั่งไว้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปว่าพวกเราชาวพุทธทั้งหลายจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาโดยจะไม่ได้อยู่ปราสจากพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมวินัยที่ทรงตัดไว้ชอบนี้แล้วจะเป็นศาสดา ของพวกเธอต่อไปคือจะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันมีจำนวนมากมายที่มีการจดจำและบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกนี้จะเป็นศาสดาของพวกเราต่อไป เป็นคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าและมีการรับประกันมาตรฐานคุณภาพโดยพระอานันดาสาวกหลายร้อยรูปด้วยกัน<ม>พระไตรปโฎกนี้มีการชำระกันมาอยู่เรื่อยๆเพื่อการสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะแอบเข้ามาในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และการชำระในแต่ละครั้งแต่ละยุคนี้ จะมีพระอาหลานตสาวกเป็นผู้ที่คอยชำระคอยตรวจตราดูความถูกต้องแม่นยำของพระธรรมคําคสั่งคําสอนเ พ, พาราะพระอาหลานตัสาวกนี้รู้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เ mm hmm. พราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่แปลกบอมที่ไม่ใช่ความรู้ของพระพุทธเจ้านี้พระอาหลานตัสสาวกทั้งหลายนี้จะรู้ทันที แล้วก็จะชำระให้ออกไปจากพระไตปิดกพระไตปิดกนี้มีประวัติของการสังคายนาหรือการชำระมาเป็นระยะระยะครั้งแรกก็สามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ธาตุนิพพานไป ก็มีพระ อ, อรหันต์ห้าร้อยรูปด้วยกันมาร่วมประชุมกันและมาทบทวนพระธรรมคำสั่งคำสอนที่ได้จดจำกันมาเปรียบเทียบตรวจสอบกันโดยมีพระ อ, อนณนที่เป็นพระ อ, อุปถาของพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ทบทวนในส่วนของพระสูตรต่างๆ คำว่าพระสูตรก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในแต่ละครั้งในแต่ละสถานที่เราเรียกว่าพระสูตรเช่นครั้งแรกที่ได้ทรงแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีอันนี้ก็มีชื่อว่าพระธรรมมาจากกัปปวัตตสูตรก็จะมีการจดจําสถานที่เวลา ว่ามเป็นเมื่อไรวันเพ็ญเดือนแปดวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนเป็นครั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีในป่าอิสิปติปณะนะเป็นต้นแล้วก็เมื่อทรงแสดงเสร็จก็มีการจดจำ พระ อ, อ น, นุนตอนที่ได้มารับหน้าที่เป็นอุปถาก็ขอพร อ, อย่างหนึ่งในการรับหน้าที่ว่าถ้าพระ อ, อ น, นุนไม่ได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปตามสถานที่ทรงแสดงธรรมต่างๆก็ขอให้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้กลับมาจากการแสดงธรรมนะได้โปรดแสดงธรรมให้แก่พระ อ, อ น, นุนอีกครั้งหนึ่ง ผ้าอนุนนี้มีความสามารถในเรื่องของการจดจำได้ดีมากจึงจะบอกว่าจำได้ทุกพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เลยก็ได้และก็จะอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนก็จะมีผ้าอนุนติดตามไปด้วยเสมอเป็นเหมือนเงาตามตัวพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าจากไปแล้ว พอมีการประชุมก็มีพระอนว น, นี้เป็นผู้ทบทวนพระธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันแล้วก็มีพระอารหันต์อีกห้าร้อยรูปเป็นผู้ที่ทบทวนเป็นผู้คอยตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูก ต, ต้องตรงไหนอย่างไร แล้วก็มีการลงมติว่าส่วนที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรเป็นต้นจึงพวกเราที่อยู่กันถึงสมัยนี้จึงไม่ควรลังเลสงสัยในความประสิทธิภาพของพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าได้หมดประสิทธิภาพไปแล้วหรือยังเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการนิโก และมีผู้ที่ยืนยันจากการศึกษาและจากการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยจนถึงยุค ป, ปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้ที่สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้กันเป็นจำนวนมากมีพระอาจารย์ต่างๆพระสุ ป, ปฏิปันโน ผู้ที่หลังจากที่ท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วอัฐิของท่านก็จะกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาอันนี้เป็นการยืนยันเป็นการรับรองว่าพระอาจารย์ที่ได้จากไปแล้วนี้อัฐิของท่านนี้ที่กลายเป็นพระาธาตุนี้ก็เพราะว่าจิตใจของท่านนั้นได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วนั่นเองได้เป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นเครื่องยืนยันให้พวกเราที่ยังมีความนังเลสงสัยในความสามารถของพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะสามารถนําพาผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไหรือไม่ให้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาก ข, ของพระพุทธเจ้า ภายในภพนี้ชาตินี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันให้กับพวกเราให้รู้ว่าพระธรรมของขอนเขาพระธรรมค ำ, คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังเป็นอากาวิโกอยู่ไม่มีวันเสื่อมถ้าจะเสื่อมหือหมดก็หมดจากความสนใจของชาวพุทธเหล่านี้ ถ้าถ้าชาวพุทธเรามีความเสื่อมในการศึกษามีการเสื่อมในการปฏิบัติเพราะธรรมที่ไม่เสื่อมก็จะไม่สามารถที่จะส่งผลให้กับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติได้ที่ทรงพยากรณ์ว่าศาสนาคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ จะอยู่ในโลกนี้ได้ประมาณ 5,000 ปีที่เสื่อมนี้ไม่ใช่เพราะพระธรรมคำสอนหมดอายุหมดสภาพที่เสื่อมก็คือผู้ศึกษาปฏิบัติจะมีจํานวนลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะไม่มีผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติหลงเหลืออยู่จึงทําให้คิดว่าพราะธรรมคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้านี้เป็นโมฆะไปแล้ว ไม่สามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีความเคารพนับถือได้เพราะความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงที่จะทำให้จิตของผู้ที่มีความเคารพนับถือนั้นได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและการปฏิบัติเท่านั้น สมัยนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าชาวพุทธเหล่านี้เริ่มเสื่อมจากการศึกษาจากการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆมีมากขึ้นไปเรื่อยๆชาวพุทธเราทุกวันนี้จะหาผู้ที่สนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมกันจริงๆนี้มีจํานวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับชาวพุทธที่มีความเค้าลบความเคารบก็หมายถึง เวลาที่เจอพระพุทธรูป ก, ก็กราบไหว้บูชาจุดธูกเทียนดอกถวายดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าเจอพระริยสงสาวกเจอพระสงสาวกก็ให้ความเคารพทาบุญทาทานใส่บาตรอะไรทำนองนี้แต่ไม่เคยสนใจที่จะศึกษา พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังว่าวิธีการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะต้องปฏิบัติอะไรมากจึงทำให้มีผู้ที่บรรลุมรรคผลนผิพพานนี้มีจำนวนไม่มากตามจำนวนของพุทธศาสนิกชน ประเทศไทยเรานี้ถือว่าเป็นเมืองพุทธมีผู้นับถือพุทธศาสนา 90% 90% อร์กว่าเปซ็นก็หลายสิบล้านคนแต่จำนวนหลายสิบล้านคนนี้มีสักกี่คนที่เป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างแท้จริงมีผู้ที่สนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติกันอย่างแท้จริง มีจำนวนไม่มากถึงแม้จะมีการบวชเรียนกันก็เป็นการบวชเรียนแบบทางกิริยามากกว่าบวชแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันบวชกันก็บางทีก็บวชกันชั่วคราวสมัยนี้การบวชกันกลายเป็นเรื่องของการทำบุญอุทิศไปเสียแล้ว เป็นเวลามีคนตายญาติพี่น้องตายก็บวชอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้กันไปบวชเช้าและศึกเยน็นหรือบวชสามวันห้าวันเจ็ดวันการบวชเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าได้อย่างใดเป็นการกระทาทางกิริยาเท่านั้นเอง เป็นเหมือนกับการแสดงละครหรือแสดงภาพประโยชน์ตัวผู้แสดงเองนั้นตัวผู้บวชเองนี้ไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติเพียงแต่ต้องการที่จะต้องการที่จะแสดงอาการของผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติ ได้กนโคลศีษะได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองไปเท่านั้นเองแต่ตัวใจที่นั้นไม่ได้ซึมทราบพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือลักษณะของชาวพุทธที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีศรัทธา ที่จะศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงผลนั้นเล่าดันประเสริฐ จ, จึงไม่เกิดกับบุคคลเหล่านี้บวชไปสามวันเจ็ดวันศึกกลับมาก็ถามว่าได้อะไรบ้างก็ได้โกนศีรษะได้อดข้าวเย็นแต่ไม่รู้เรื่องมรรคผลนิพพานว่าเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าความสงบ ที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั้นเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้ศึกษาและปฏิบัตินั่นเองนี่คือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาที่ที่ที่เราเห็นกันได้อย่างชัดเจนกลายเป็นเรื่องพิธีกรรมไปหมดทุกวันนี้ศาสนาทำอย่างมากก็แค่ทำบุญ ทำบุญแล้วก็อุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ทำบุญเพื่อที่จะคลายความตนีคลายความโลภในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เป็นเหมือนกับสมอเรือที่จะคอยดึงเรือไว้ไม่ให้ไหลไปไม่ให้เคลื่อนไหวไปตามลำน้ำลำธารเื่ํา เลือทะเลได้เวลาที่เขาต้องการจอดเรือนี่เขาจะทอดสมอกันเมื่อเรือได้ทอดสมอแลนะ้วถึงแม้จะมีกระแสน้าไหลามาเรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้าเรือก็จะจอดนิ่งอยู่ฉันใดการที่ยังมีความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีความหวงมีความโลภอย่างได้เข้าของเงินทองอยู่ เป็นเครื่องให้ความสุขกับตนอยู่ก็แสดงว่าการถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติไปไม่ได้จะให้เรือคือใจนี้ไปสู่มรรคผลนิพพานนี้ก็จะติดอยู่กับสมอเรือสมอเรือก็คือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆความสุขทางโลกที่เราใช้เงินทองเป็นเครื่องมือนี้ จะเป็นเหมือนสมอเรือที่จะเหนี่ยวร่างจิตใจของผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่สามารถทำให้ไปได้ถ้าไม่ถอนสมอเรือก่อนเรือที่จะเดินทางไปไม่ว่าจะไปทิศทางใดแห่งใดถ้ายังทอดสมออยู่นี้จะไปไม่ได้จะไปไหนไม่ได้ ต้องมีการถอนสมอก่อนเมื่อถอนสมอแล้วทีนี้ก็เริ่มออกเดินทางได้จะไปที่ไหนก็ไปได้ฉันใดจิตใจก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเหตุที่จิตใจยังต้องติดอยู่กับเรือนจำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้อยู่ก็เพราะว่าไม่ได้ถอนสมอใจนะั่นเองสมอใจคือความยึดติด กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เราใช้เพื่ออำนวยความสุขต่างๆให้กับเรามีเงินแล้วเราก็สามารถซื้อความสุขต่างๆได้อยากดูอยากฟังอะไรก็ซื้อได้อยากกินอยากดื่มอะไรก็ซื้อได้อยากไปไหนมาไหนก็ไปได้ถ้ามีเงินมีทอง ใจของเราเลยมีความผูกพันมีความยึดติดกับเงินทองถือเงินทองเป็นสาระเป็นที่พึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็จะไม่มีวันที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้เลยนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเรา ควรที่จะนำลึกกันคิดถึงกันแล้วก็การทำบุญก็ทำกันเป็นแบบพอหอมปากหอมคอไม่ได้ทำแบบจริงจังตามหลักพระธรรมคำสอนหรือไม่ได้ทำแบบถอนสมอทำบาปเพื่อละความตนีความยึดติดทำแบบเพื่อละความโลภความอยากจะมีเงินมีทองมากๆ ต้องการที่จะเลิกอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพื่อที่จะได้เอาเวลานี้เอาเวลาที่ใช้ไปกับ ก, บการหาเงินหาทองนี้เอาไปใช้กับ ก, บการสร้างธรรมะที่พรุทธเจ้าได้ส่งสร้างขึ้นมาและนำเอามาสั่งสอนให้ผู้ที่สนใจได้สร้างกัน ก็คือให้ไปสร้างความสงบของจิตใจกันผู้ที่ปรารถนามรรคผลในพาคนี้ขั้นแรกถ้าต้องการจะไปนะี้ต้องตัดความยินดีในทรัพสมบัติข้าวของเองินทองตัดความยุติดตัดความตันีิความหวงในทรัพสมบัติข้าวของเองินทองมีไว้เพียงมีไว้เท่าที่จาเป็น มีไว้เพื่อดูแลอัตภาพร่างกายถ้ายังไม่ได้เป็นนักบวชถ้ายังไม่ได้บวชหรือว่าถ้ายังต้องมีซึ่งตนเองในเรื่องของปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อสัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคของร่างกายก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีซั์บ้าง แต่มีไว้เพียงเพื่อดูแลร่างกายนี้เท่านั้นเองเพื่อที่จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างไม่มีอุปสรรคนั่นเองนี่คือความจำเป็นสำหรับการมีเงินมีทองมีไว้เพียงเพื่อดูแลร่างกายแต่ถ้าอยากจะไม่ต้องกังวลกับการเรื่องมีเงินมีทองเลย ก็ไปอยู่แบบนักบวชไปบวชกันถ้าไปบวชที่วัดที่มีการดูแลทั้งนักบวชหญิงนักบวชชายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทองก็ได้ <Yeah. S 1> บางวัดนี้รับทั้งหญิงทั้งชายผู้ชายก็บวชเป็นพระผู้หญิงก็เป็นแม่ชีก็อยู่ที่วัดกันแล้วก็กินอยู่ในวัดกันอาศัย อาศัยอาหารที่ได้จากใจของผู้ที่ใจบุญใจผู้สลที่อุปถัมภ์คำจุนวัดด้วยอาหารต่างๆด้วยปัจจัยสี่ทางวัดก็แบ่งให้กันทุกคนที่ไปศึกษาไปปฏิบัติกันถ้าถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ไม่ต้องอาศัยเงินทอง จะได้มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของการหาเงินหาทองหรือเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอะไรบ้างอย่างไรแต่ถ้าได้บวชได้อยู่กับวัดที่มีการให้ปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ ก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองจะได้เอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นี่คือขั้นที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดย่าเป็นที่จะต้องเลิกการใช้เงินใช้ทอง เป็นเครื่องมือในการหาความสุขก็ดีถ้ายังอาศัยเงินทองหาความสุขอยู่ก็จะต้องคอยหาเงินทองอยู่เรื่อยๆแล้วก็หาไปจนวันตายเพราะว่าความสุขที่ได้จากเงินทองนี้มันไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่มันก็หมดไปเหมือนเติมน้ำเข้าไปในตุ่มที่มีรอยรั่ว เคยสังเกตไม่ว่าทำไมเราเติมน้ำใส่ตุ่มนี่เต็มวันหนึ่งสองวันนะทำไมมันพร่องหายไปทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีใครมาตักมาใช้พอไปดูรอบๆตุ่มก็เห็นรอยน้ำลุ่ไหลซึมออกมาก็รู้ว่าอ่อตุ่มนี่มันมีรอยรั่วเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันเต็มเต็มได้เพียงไม่กี่วันมันก็พร่องฉันใดก็แบบเดียวกับความสุขที่เราได้ ทางรูปเสียงกยลธธิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆความสุขที่เราใช้เงินทองซื้อมานี้มันเป็นความสุขที่จะต้องหายไปหมดไปมันจะทำให้ใจเรานี้อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่เรื่อยๆเติมเข้าไปเท่าไหร่มันก็อยู่ได้เดียวเดียวแล้วเดียวมันก็จางหมดไปก็ต้องคอยเติมใหม่อยู่เรื่อยไปเที่ยวมาแล้วกลับมาบ้านอยู่ได้ไม่กี่วัน ใจก็รู้สึกเหงารู้สึกว่าเวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวรอบที่แล้วก็หายไปหมดก็ต้องไปเที่ยวรอบใหม่ต่อไปทาอะไรตะรอบใหม่ต่อความสุขอันใดที่เราได้มารอบที่แล้วมันก็ผ่านไปหมดไปเราก็ต้องคอยหามันอยู่เรื่อยๆและการหาเราก็จำเป็นที่จะต้องมีเงินทองนี่ มีเงินทองที่เราจะได้เอาไปซื้อไปจ่ายทั้งค่าอะไรต่างๆเพื่อที่เราจะได้เติมความสุขให้แก่ใจของเราแต่เติมได้ก็ไม่กี่วันมันก็หมดไปอันนี้มันก็จะทําให้ติดอยู่กับการหาเงินมาเติมความสุขกันอยู่ไม่มีวันสิ้นสุด เวลาที่จะเอาไปศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังก็จะไม่สามารถทำได้เมื่อไม่สามารถศึกษาปฏิบัติธรรมได้อย่างจริงจังการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นไม่ได้และนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้คิดว่ามรรคผลนิพพานในยุคนี้สมัยนี้นั้นหมดสมัยแล้วศึกษาปฏิบัติไปอย่างไรก็ ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างนี้เป็นความคิดของคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังอาจจะศึกษาบ้างปฏิบัติบ้างแต่ไม่ได้ให้เวลากับการศึกษาปฏิบัติอย่างเต็มที่อาจจะเป็นในลักษณะของมือสมัครเล่นอาจจะมีเวลาว่างในช่วงวันหยุดทำงานเสาร์อาทิตย์หรืออาจ อาจจะหาเวลามาศึกษาสักชั่วโมงสองชั่วโมงปฏิบัติสักชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าทําแบบนี้ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้ไม่มีวันที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เพราะการจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นี้ต้องเป็นแบบสุปฏิปันโนปฏิบัติแบบเต็มร้อยปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติเต็มร้อย อนุสสังถ้าเป็นนักศึกษาก็เรียนเต็มร้อยเกรดก็จะได้เต็มร้อยถึงจะได้มากผลมิพานขึ้นมานี่แต่สาเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติเต็มร้อยได้ก็เพราะยังติดกับการใช้เงินใช้ทองในการซื้อความสุขต่างๆอยู่เมื่อต้องใช้เงินใช้ทองก็ต้องหาเงินหาทองกันอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละเป็น เหมือนกับเป็นสมอที่คอยดึงใจไว้ไม่ให้ได้ออกเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าอยากให้ใจไปสู่มรรคผลนิพพานนี้จำเป็นที่จะต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชแล้วก็รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงทาง แก้ปัญหาถ้าอยู่ต่อไปก็ต้องเจอกับปัญหาของความแก่ความเจ็บความตายอย่างแน่นอนถ้าอยากจะหลีให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องไปอยู่แบบสมมณะนักบวชนี่เท mm hmm. okay. วทูตสี่คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นักบวชสมมณะนักบวช ผู้ที่มีเวลาที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่นั่นเองพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติแล้วก็ไปบวชแล้วก็ไปศึกษาไปปฏิบัติพระธรรมคําสอนไปปฏิบัติตอนนั้นยังไม่มีพระธรรมคําสอนเพราะไม่มีใครรู้พระธรรมที่จะพาให้บรรลุถึงมรรคผลที่ผ่านได้ จึงต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองและปฏิบัติแบบลองผิดลองถูกด้วยตนเองจนในที่สุดก็ได้พบกับคำตอบได้พบกับทางสู่มรรคผลนิพพานทางทางสู่การหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเืียนว้ายตายเกิดก็คือได้พบมรรคที่มีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญานี่ แล้วก็ได้ทรงหลุดพ้นสาเหตุที่ได้หลุดพ้นได้เพราะได้สละราชสมบัติถ้ายังอยู่ในวางอยู่นี้เวลาที่จะมาศึกษาปฏิบัติจริงๆนี้ไม่ค่อยมีเพราะจะต้องมีภารกิจหน้าที่ของกษัตริย์ที่จะต้องทําหน้าที่ต่างๆอยู่เวลาที่จะไปศึกษาปฏิบัติธรรม แบบสุปฏิปันโนนี้จะไม่สามารถที่จะทำได้จึงตัดสินพระไทยในคืนที่ได้ทราบข่าวว่าพระไมเหสีได้คลอดพระราชโอรสให้แก่พระองค์พอได้ยินข่าวก็สมุดทานคำว่าราหุนราหุนนี้แปลว่าบ่วงบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วกับหัวใจของพระพุทธเจ้าผูกมัดหัวใจ ถ้าไม่อยากจะให้บ่วงนี้รัดหัวใจก็ต้องรีบหนีออกจากวังไปในคืนนั้นไม่กล้าไปดูหน้าของพระาราชโอรสเพราะกลัวจะถูกบ่วงรัดหัวใจนั่นเองจึงตัดสินหนีออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นในยามดึกโดยไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่บอกว่าไปศึกษาไปปฏิบัติที่ไหนกับใครไปแบบเงียบๆไปแบบหายตัวไปเลย เพื่อกันไม่ให้คนไปติดตามไปดึงตัวกลับนั่นเองถ้ารู้ว่าไปบวชที่นี่นที่นี่เดี๋ยวญาติพี่น้องตามกันไปหมดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตามไปไปคุยไปชวนให้กลับไปอยู่ด้วยกันมาอยู่ทุกขทรมานอดอยากอดข้าวทําไมความสุขที่เรามีก็มันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของเงินทองต่างๆเยอะแยะไปสามารถซื้ออะไร มาเสษมาให้ความสุขได้ตลอดเวลาแต่เขาไม่ได้เห็นความไม่แน่นอนของเรื่องของสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขนั้นว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันสิ้นสุดลงเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันสิ้นสุดลงนั้นก็จะเป็นเวลาของความทุกข์ของความเศร้าโศกเสียใจ เพะผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นผู้ที่ไปบวชกันนี้มักจะไม่ค่อยบอกใครไปแล้วก็ไปหาที่สงบวิเวกอยู่เบื้องต้นก็อยู่กับครูบาอาจารย์ศึกษาไปก่อนพอรู้วิธีการปฏิบัติพอมีฐานะที่สามารถปีกวิเวกไปปลีกวิเวกได้คนเดียวก็มักจะขอลาขออนุญาตครูบาอาจารย์ไปทุดง ไปปีกวเว่ยเว่อยู่ตามลําพังเพื่อที่จะได้ใช้เวลาทั้งหมดให้กับการปฏิบัติเพราะถึงแม้ว่าท่านบวชได้ได้อยู่วัดกับครูบาอาจารย์ถ้าอยู่วัดนี้ก็ยังมีภารกิจอื่นๆที่ต้องไปคอยช่วยกันอยู่เพราะวัดของครูบาอาจารย์ก็จะต้องมีผู้ที่มาศึกษามาทําบุญมาอะไรกันก็จําเป็นที่จะต้องมีการเตรียม การอะไรต่างๆมีการเก็บความทำความสะอาดดูแลความสะอาดอะไรต่างๆต้องเกี่ยวข้องกับคนต่างๆก็ยังไม่พอต่อการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นกัน<ม>ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจริงๆคือมักจะต้องไปปีกฤเว ก, กันและเวลาบรรลุธรรมนี้ก็มักจะบรรลุในขณะที่ไปปีกฤเว ก, กันนี่คือ สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทาเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราปรารถนาที่อยากจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัมผัสแล้วพวกเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทร ม, มาและนำเอามาสั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเรายังมีความยึดติดกับเงินทอง อาสายเงินทองเป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขต่างๆอยู่เราก็ต้องเลิกให้ได้เพราะมันเป็นเหมือนกับการถอนสมอเรือถ้าเราต้องการที่จะเอาเรือไปตามสถานที่ต่างๆถ้าไม่ถอนสมอเรือเรือก็จะไปไม่ได้ถ้าเราต้องการไปมรรคผลผนิพพานออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด เข้าสู่กระแสของพระ น, นิพพานเราก็ต้องถอนสมอเรือที่ตอนนี้ยังวนอยู่เนี่ยยังติดอยู่ในวงเวียนฟังเวียนของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะไปติดอยู่กับความสุขที่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหานั่นเองยังติดอยู่กับกามาสุขติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกมินก้นไกยจึงจำเป็นที่จะต้องมีเงินทอง วายซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆมาเสพอยู่เรื่อยๆเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องเสพไปจนวันตายก็ไม่พอและถ้าเกิดมีอุปสรรคมีปัญหาไม่สามารถเสพได้ก็จะต้องมีแต่ความทุกข์ทรมานใจมีความเศร้ามีความเหงามีความว้าเหวและอาจจะไม่อยากจะอยู่ในโลกต่อไปก็ได้อันนี้คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรายังยึดยังติดอยู่กับการใช้เงินทองซื้อหาความสุขต่างๆไม่ใช้การศึกษาการปฏิบัติธรรมสร้างความสุขชนิดใหม่ขึ้นมาสร้างรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงขึ้นมาการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี่แหละจะทำให้เราได้มาสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมก็คือรถอะไร รสแห่งธรรมก็คือรถของความสงบนี้เองความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือรถแห่งธรรมถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันอยา่างเต็มที่แล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมกันพอได้สัมผัสแล้วเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกมีความสุขจากการศึกษาจากการปฏิบัติมีความ ยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ให้มีมากขึ้นไปให้จนให้มันมีตลอดเวลาให้มันมีเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องปฏิบัติกันเราถึงจะสามารถเข้าถึงลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้ แต่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเรายังเสียดายยังรักความสุขจากการใช้เงินใช้ทองอยู่เราก็จะไม่สามารถไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าถึงลดแห่งธรรมได้นั่นเองเพราฉะนั้นเราต้องตัดสินใจต้องเลือกทางว่าเราจะเอาอย่างไงกันแนะ่เราจะเอาความสุขที่ใช้เงินใช้ทองที่จะทำให้เราต้องติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อย หรือว่าเราจะไปหาความสุขของของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงด้วยการสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชกันเพื่อที่จะได้เอาเวลาทุ่มเทให้กับการศึกษากับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่มันมีสองทางเลือกตอนนี้เท่านั้นตอนนี้เราอยู่ทางทางเก่า ทางที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่เสียหายตรงไหนไม่ใช่หรือการเสพรูปเสียงกลิ่นรสใช่ตอนที่เรายังแข็งแรงตอนที่เรายังมีทรัพย์มีเงินมีทองตอนที่เรายังสามารถซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็คิดว่ามันก็เป็นความสุขที่ดีเราก็ไม่ไปเบียดเบือนใครไม่ได้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับใคร เราก็ทำมาหากินโดยวิธีสุดจริตไม่ไปทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไม่เสพยาเสพติดไม่ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเองราะนั้นก็ตามถึงแม้เราจะหาความสุขแบบแบบสุดจริญไปเที่ยวตามสถานที่ที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม ซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมมาเสกอันนี้ก็เป็นความสุขจริงไม่เถียงแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอและมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ถ้าเกิดเวลาที่ไม่มีเงินทองที่จะซื้อความสุขหย่านี้หรือถ้าเกิดมีปัญหากับทางร่างกายร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สามารถที่จะไปทำงานหาเงินหาทองแบบที่เคยหาได้ไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปกินไปดื่มไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตา ม, ตามที่เคยทำได้ตอนนั้นจะทำยังไงความสุขที่เคยได้มันหมดไปความสุขที่เราได้จากการกระทำเหล่านี้เมื่อมันผ่านไปแล้วมันมันหายไปหมดมันจางหายไปหมดเหมือนควันไฟหรือเหมือนน้ำที่มันซึมออกจากตุ่ม พอมันออกจากตุ่มมาแล้วมันไม่ไหลกลับเข้าไปในตุ่มใหม่เราต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆแตถ้าความสามารถที่เราจะเติมความสุขเหล่านี้มันหมดไปใจของเราก็จะอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายปราศจากความถุกปราศจากความสุขที่เราเคยหามาตอนนั้นน่ะเราจะเดือดร้อนใจเราจะทุกข์จะทรมานใจอย่างยิ่งถึงแม้จะเป็นมหาเศรษฐี มีเงินมีทองเหลืออยู่เป็นน้อยล้านพันล้านแต่ถ้าร่างกายมันไม่สมประกอบมันไม่สามารถหาความสุขจากเงินทองที่มีอยู่ได้มันก็จะอยู่แบบช้ยชยชยชยอยเศร้าเศร้าช้อยเงาเงาอยู่แบบอ้างว้างปเปล่าเปลี่ยวเดียวดายถึงแม้จะมีคนห้อมล้อมอยู่คอยดูแลอยู่ก็ดูแลได้เพียงแต่ทางร่างกายเท่านั้นแต่เรื่องทางจิตใจ จะจะปราศจากความสุขที่เคยหามาได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือปัญหาที่เราควรที่จะมองทะลุให้เห็นเพื่อที่เราจะได้เห็นโทษ <c oughs> ของการที่เรายังยึดติดอยู่กับกความสุขแบบนี้ยึดติดกับการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆเราควรที่จะหันมามองความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ความสุขของทางธรรมความสุขของทางธรรมนี้ไม่ต้องใช้เงินทองแล้วก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายความจริงแต่ในเบื้องต้นอาจจะต้องอาศัยร่างกายไปก่อนเพราะการที่จะสร้างความสุขในเบื้องต้นนี้ก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสุขแต่ถึงแม้จะเป็นจริงๆก็ยังสามารถ สร้างความสุขได้ทางลถแห่งธรรมนี้ไม่จาเป็นต้องใช้ร่างกายก็ได้คนที่ใกล้าตายนี้ยังสามารถสร้างความสุขระดับสูงสุดได้ mm. เช่นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าทรงสร้างความสุขระดับพระนิพพานได้เจ็ดวันก่อนที่จะสิ้นผชนขณะนั้นร่างกายของพระองค์ก็นอนอยู่บนเตียงไม่ แต่การสร้างความสุขสร้างจากลถแห่งธรรมนี้ความจริงแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายเลยใช้แต่ธรรมที่สำคัญอยู่สองระดับด้วยกันคือสติและปัญญาทรรนั้นเองถ้าสามารถสร้างสติขึ้นมาได้ในระดับที่ทาให้ใจหยุดนิ่งได้ก็จะได้ลถแห่งธรรมขึ้นมาแบบชั่วคราวแล้วถ้าจเจริญปัญญาต่อได้ก็จะ ทำให้ความสุขที่ได้แบบชั่วคราวนี้ความสงบที่ได้มานี้แบบชั่วคราวนี้กลายเป็นความสงบที่ถาวรได้ต่อไปนี่คือประโยชน์นี่คือสิ่งที่ดีสำหรับการเข้าหาความสุขจากลถแห่งทรงไม่จำเป็นจะต้องอาศัยเงินทองไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ อาศัยทำอยู่สองระดับนั่นคือสติและปัญญาแต่การที่จะเจริญสติและปัญญาได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีทำอย่างอื่นเป็นเครื่องสนับสนุนเช่นต้องมีการรักษาศีลศีล น, นี้จะเป็นการช่วยการเจริญสติศีล น, นี้ที่พูดก็หมายถึงศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองอยี่สิบ เพราะสีนี้จะเป็นเหมือนรั้วกัน้นไม่ให้จิตนี้ออกไปหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองให้หาความสุขจากการเจริญสติถ้ามัวแต่เอาเวลาไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ถึงแม้ไม่ใช้เงินใช้ทองก็ตามมันก็ยังเสียเวลาอยู่มันก็ยังจะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติ สร้างสติเพื่อให้จิตใจเข้าสู่ความสงบได้เห็นผู้ที่ต้องการที่จะได้สัมผัสกับรสของความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้จําเป็นที่จะต้องมีเวลาเจรานสติไม่มีเรื่องมีราวที่จะต้องไปเอามาคิดให้หนักอกหนักใจก็ต้องอย่าไปอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าสํารวนสํารวมอินทรีย์หรือ เป็นสีสังวรเกือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพธพะต่างๆด้วยการถือศีลแตะแล้วก็เพื่อกันไม่ให้มีเรื่องววลากับไครที่จะต้องมาทำให้การเจริญสติเป็นอุปสรคหรือสะดุดไม่ต่อเนื่องก็ควรจะไปปรีวิเว่ ไปอยู่คนเดียวไปหาสถานที่ที่สงบแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องไม่คลุกทีกับใคร <S <S อยู่คนเดียวจริงๆตั้งแต่เช้าจนกระทั่งทั้งวันทั้งคืนเลยตลอดระยะเวลาที่เราต้องการบำเพ็ญนี้ฝึกเว่เวกได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีก็การจะได้เจริญสติได้มากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นที่สามารถระงับความคิดปรุงแต่ง ใ ห, ให้หยุดได้อย่างเต็มร้อยเมื่อหยุดความคิดกลุงแต่งได้เต็มร้อยจิตก็จะได้เข้าสู่ความสงบได้เต็มร้อยเข้าสู่สมาธิที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิได้อัปปนาสมาธิคือความสงบที่ยาวนานส่วนคณิกะสมาธินี่เป็นความสงบแบบชั่ ว, วปีเดียวเดียวชั่วขณะหนึ่ง สำหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้นนี้ก่อนที่จะเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้ก็มักจะได้แค่คณิกะสมาธิก่อนคือกำลังของสติยังมีไม่มากพอไม่สามารถที่จะหยุดจิตให้นิ่งได้เป็นเวลายาวนานหยุดได้เพียงแต่เพียงชั่วขณะหนึ่งแต่ก็เป็นสมาธิที่จะให้กำลังใจเป็นเหมือนหนังตัวอย่างเป็นเหมือนสินค้าตัวอย่าง สินค้าตัวนี้ก็คือรถแห่งธรรมนี่การได้สัมผัสกับคำนิกะสมาธินี้ mm. ก็เหมือนกับได้ได้ทดลองสินค้าที่เขาเอามาแจาก mm. เวลาที่ก็มีสินค้าใหม่ๆออกมานี่ย mm. เขามักจะบรรจุในในขวดเล็กๆหรือในซองเล็กๆเอามาแจากให้ผู้ที่อยากจะรู้ว่ารถของสินค้านี้เป็นอย่างไร mm. เพื่อจะได้รู้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร mm. อันนี้ก็เหมือนกันคณิกะสมาธินี่ก็เป็นเหมือนกับสินค้าตัวอย่างของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงพอเราได้สัมผัสกับคณิกะสมาธิแล้วทีนี้เราจะมีความยินดีอยากจะได้สมาธิอยากจะได้สินค้าแบบนี้พอเราได้ทดลองสินค้าแล้วถูกใจเราชอบมากก็จะสั่งซื้อทันทีสั่งมาเป็นโหลเลยสั่งมาเป็นสิบเลย เพราะเรามั่นใจแล้วว่าไม่ถูกหรอกสินค้าที่เขาโฆษณานี้เป็นสินค้าที่ให้ความสุขให้ประโยชน์กับเราให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงอันนี้ก็เหมือนการสำหรับผู้ที่ยังเจริญสติใหม่ๆไปปีกวิเวกใหม่ๆอยู่คนเดียวถือสินแต่ก็อาจจะเข้าถึงสมาธิในระดับคณิกะไปก่อนแต่ก็ขอให้เข้าให้ได้เถอคณิกะนี้เป็น สมาธิที่สําคัญเพราะว่าเป็นการได้ริมลดลดแห่งธรรมที่เป็นลดที่แท้จริงแล้วก็เป็นของแท้ของจริงเพียงแต่ว่าได้เพียงนิดนิดเดียวได้เพียงเดียวเดียวท่านเองแต่ก็จะทําให้เกิดความยิน ด, ดีเกิดความศรัทธาที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นให้นานขึ้นให้บ่อยขึ้น เรืองต้นอาจจะไปปีกวิเวกเป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้าลองได้สัมผัสกับความสงบที่ในระดับของคณิกะแล้วทีนี้ก็อยากจะให้สัมผัสกับความสงบในระดับที่ยาวนานต่อไปคือในในระดับอัปปนาสมาธิก็จะพยายามปีกวิเวกมากขึ้นสำนวนินซีให้มากขึ้นบ่อยขึ้นเจรรสติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปไม่ไม่ช้าก็เร็วก็จะเข้าถึงัปนาสมาธิได้เวลาเข้าสมาธิแต่ละครั้งนี้อยู่ได้เป็นเวลายาวตั้งแต่ยี่สบนาทีสาสินาทีชั่วโมงหนึ่งหรือนานกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับกำลังของสติที่เราได้เจริญกันถ้าเจริญสติได้ต่อเนื่องมากเป็นสัมปชัญญะได้ไม่ขาดตอนเวลาเข้าสมาธิก็จะนิ่งได้ ได้ได้นานนิ่งได้เร็วด้วยนิ่งได้ง่ายด้วยการปฏิบัติเข้าสมาธินี้จะยากหรือจะง่ายอยู่ที่การจเจริญสติของเราถ้าสติเราจเจริญดีเวลาเข้าสมาธินี้จะเข้าง่ายแล้วจะอยู่ได้นานถ้าสติไม่ดีเข้ายากและอยู่อยู่ได้ไม่นานถ้านักปฏิบัติจะรู้ว่าบางทีวังวันปฏิบัตินี้จิตไม่ดื้อเลย เข้าง่ายสงบง่ายแล้วอยู่ได้นานบางวันนี้แสนเดือไม่ยอมเข้าเลยอันนี้ก็เป็นเพราะกำลังของสติของเรามีมากมีน้อยนั่นเองวันไหนที่เราไม่เจริญสติมากวันนั้นเวลาจะนั่งสมาธิมันจะเข้าได้ยากเข้าได้ช้าและอยู่ได้ไม่นานแต่วันไหนถ้าเรามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง วัะ น, นั้นเวลาเข้าสมาธินี้จะรู้สึกว่าง่ายและเร็วและอยู่ได้นานด้วยดัง น, นั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องคำหนึ่งถึงสติให้มากไม่มีอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งกว่าสติปัจจัยอย่างอื่นถึงแม้จะมีผลบ้างก็เป็นส่วนย่อยส่วนหลักที่แท้จริงก็คือสติถ้ามีสติแล้วสามารถสามารถข้าม อุปสรรคต่างๆไปได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าไม่มีสติแล้วอุปสรรคต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นมาได้เช่นนิวรณ์ต่างๆการมฉันทะโกรธความโกรธเรียกว่าการมราทะกามันทะอัความยินดีในกามะสุขความโกรธความรังเลยสงสยัยความง่วงเหงาหานอนสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะ การสติการเจริญสติไม่ดีนั่นเองถ้าการเจริญสติดีนี้จิตจะมีพลังที่จะสามารถป้องกันไม่ให้นิวรณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาในใจได้ังั้นผู้ที่ต้องการที่จะสัมผัสกับโลตแห่งธรรมนี้จำเป็นที่จะต้องหาเวลาลดการลดหาเวลาของการหาเงินหาทองแล้วก็เอาเวลามาปลีกวิเวก มาสำรวมอินซีกันถือศีลแปดกันติกวิเวขาที่สงบอยู่ตามลาพังคนเดียวแล้วก็หมั่นเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่มีเวลาใดที่ไม่เจริญสติเวลาทำอะไรก็เจริญสติเวลาเดินก็เจริญสติเดินจงกรมก็เจริญสติเวลานั่งสมาธิก็เจริญสติถ้าทำสติอย่างต่อเนื่องแบบนี้แล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสู่ ความสงบได้เข้าไปสู่ลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้นี่คือขอบวนการของการที่พวกเราจะพาให้ใจของพวกเรานั้นเด็ดดุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการตัดตวงประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาและด้วยการปฏิบัติอย่างอย่างเต็มที่ด้วยศรัทธาอย่างเต็มที่ ด้วยความเพียรอย่างเต็มที่ถ้าเราทำแบบนี้ได้มรรคนิพานนี้ก็จะเป็นผลที่จะตามมาแล้วจะยืนยันให้กับพวกเราผู้ปฏิบัติว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาศลิโกจริงๆไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปตามกาลตามเวลายุคสมัยพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาสามารถบรรลุถึงมรรคนิพานได้อย่างไร ยุคในปัจจุบันนี้ก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกันและเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะไปช่วยเป็นเซลแมนให้กับพระพุทธศาสนาต่อเราก็จะเอาความจริงอันนี้ที่เราได้สัมผัสนี้มาเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจแล้วก็จะทำให้เขานี้มีความมั่นใจที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ต่อไปาศาสนาก็จะอยู่กับโลกนี้ไปได้เรื่อยๆ ถ้าตาบใดมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรุ ธ, ธรรมแต่ถ้าวันใดเวลาใดถ้าการศึกษาการปฏิบัติการบรรุ ธ, ธรรมนี้หมดไปเวลานั้นศาสนาก็จะเหลือแต่เปลือกยังมีวัดวารามอยู่แต่ไม่มีธรรมะมีไม่มีรสแห่งธรรมในจิตใจของชาวพุทธหลงเหลืออยู่อีกต่อไปนี่คือเรื่องราวของพระธรรมคาสอนอันประเสริฐที่เอามาฝากท่านในวันนี้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 จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิศานิจจังวุทธาปะจายโนจตารูธรมมวัฏฐานติ อายุวันโอสุขังพาลังาลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงเดียวที่จะมีการถามตอบคำถามหรือคุยกันเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะไม่สะดวก ก็ต้องเก็บข้าวเก็บของต้องมีภารกิจอะไรอย่างอืงอ่นเกี่ยวข้องงนั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรอยากจะพูดอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้อยากถามโดยตรงมาที่ข้างหน้านี้ก็ได้มีไมโครโฟนให้พูดหรือจะส่งเป็นข้อความเข้ามาใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความผ่านทางเฟซทาง Youtube ได้ น, นี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะจาก Facebook พระอาจาสุชาติ524 YouTube พระสุชาติ l i f e 262 YouTube Dr. V Channel 118วิทยุออนไลน์5 Clubhouse 21หน้ากุฏิ187รวม 1,117 ท่านค่ะถ้ามีคําถามเชิญถามได้เลย คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะกระผมภาวนาพุทโธดูลมหายใจไปด้วยตอนแรกๆก็สบายดีแต่พอตอนหลังมีอาการปวดตาปวดขมับเกรงมากๆทุกวันนี้เวลานั่งสมาธิจะเป็นแบบนี้ตลอดมีคนบอกว่าตั้งใจมากเกินไปผมก็พยายามผ่อนไม่ตั้งใจแต่ก็ไม่หายขอหลวงพ่อเมตตาด้วยครับก็ลองเอาอยางใดอย่างหนึ่งดู ยาทั้งสองอย่างเอาดูลมอย่างเดียวหรือพุทโธอย่างเดียวไปบางทีมันงานมันมากเกินไปมันก็เลยทําให้มีผลกระทบได้ลองพุทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องดูลมก็ได้หรือดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโธก็ได้หรือถ้าพุทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดหิติปิโสไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ส่วนในใจไม่ต้องออกเสียงนั่งทั นั่งอยู่ในท่าสมาธิเนี่ยเราก็สวดไปแทนที่จะใช้พุโทโธก็สวดอิติปิโสให้มันยาวขึ้นหน่อยหรือถ้าจำบทดได้ยาวๆได้ก็ลองสวดบทยาวๆไปก่อนก็ได้แล้วถ้ารู้สึกว่าจิตเบาลงเย็นลงก็ลองกลับมาดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวดูก็ได้คุณคุณพรทิพา ดิฉันทําบุญมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันอายุห้าสิบเจ็ดปีแล้วแต่บุญไม่ส่งเลยค่ะมีปัญหามากมายในชีวิตบางคืนถึงกับนอนร้องไห้ใช้เป็นกรรมเมื่ออดีตชาติไหมคะที่ตามมาชาตินี้ค่ะคือบุญนี้มันก็มันก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นที่มันปัญหามันสูงกว่าระดับบุญที่จะทำอะไรได้ก็ช่วยไม่ได้ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากระดับกิเลสของเรานะกิเลสเรามากเราอยากได้นู่นอยากได้นี่มากจุ๊จีจ้จุกจิกแต่อย่างนี้ก็ปัญหาจะมากแต่ถ้าเราลดกิเลสปัญหาได้ปัญหามันก็น้อยมันไม่ได้เกิดจากการทำบุญหรือไม่ทำบุญนะมันเกิดจากกิเลสปัญหาต้องลดปัญหาด้วยการลดกิเลสให้มันน้อยลงอา อยู่แบบมากน้อยสันโดษเอาน้อยๆแล้วก็สันโดษก็เคยเย็นดีตามมีตามเกิดได้มากได้น้อยก็พอใจถ้าอย่างนี้แล้วปัญหาก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนการทําบุญนี้มันเป็นการทําให้เรามีความอิ่มใจสุขใจเย็นใจแต่ถ้ากิเลส ข, ขึ้นมามันก็สู้ไม่ไหวบุญอย่างเดียวสู้ไม่ไหวเหตนต้องใช้ทำคือการลด ความโลภความอยากให้มันเบาบางลงด้วยการพิจารณาความตายบ้างก็ได้เมืช้าเราก็ตายแนละ้วจะอยากไปกับอะไรมากมายแนละ้วทําไมลายไปก็เอาลายไปไม่ได้หรือพิจารณาว่ามันเป็นของไม่ไมแน่นอนเป็นของที่เราไปสั่งไม่ได้ไปคุมไม่ได้เหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับเรานี่ยบางทีมันก็มาจะไม่ให้มันมาก็ไม่ได้ มาแล้วจะให้มันไปมันก็ไม่ไปเราก็ต้องหัดทําใจเฉยๆไปอยู่กับมันไปถ้าอย่างนี้แล้วปัญหามันก็จะไม่ค่อยมี <c oughs> จึกผู้รับฟังหน้ากุฏิผลการปฏิบัติระยะหลังเกิดปิติบ่อยเช่นเห็นคนในวัดตักอาหารทําบุญก็เกิดปิติฝันแต่เรื่องที่เป็นมงคลเกิดปิติบ่อยเช่นเรื่องคุณพ่อคุณแม่ฝันถึงครูบาอาจารย์ ฝันว่าสร้างเสนาสนะเมื่อเกิดความฝันที่เป็นปิติตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิเพราะคิดว่าความสุขอย่างนี้ไม่ถาวรและทําจิตให้เป็นกลางๆเมื่อนั่งสมาธิหลังปิติได้ผลคือจิตรวมเร็วสงบเป็นเวลานานขึ้นกว่าเดิมคําถามมีสองข้อค่ะคําถามที่1จิตที่มีปิติหรือสบายช่วยในการยกระดับสมาธิได้ใช่ไหมครับใช่มันเป็นขั้นตอน การเข้าสมาธิต้องผ่านปิติก่อนแต่ปิตินี้ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดกับทุกคนบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดก็ได้แต่ถ้ามีก็มันก็เป็นแสดงว่าจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบในระดับในระในระดับหนึ่งแล้วแล้วถ้าทำต่อไปเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มร้อยอย่างเต็มที่คำถามที่สอง หากปฏิบัติอย่างนี้เป้าหมายถัดไปจะพบอารมณ์หนึ่งเดียวหรือเอกขัตตาใช่ไหมครับก็พยายามปฏิบัติให้จิตตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวคืออุเบกขาให้ได้ตลอดหลังจากออกจากสมาธิมาก็ยังคงไว้อยู่ได้แล้วถ้ามันเสื่อมก็ให้กลับเข้าสมาธิใหม่ทําอย่างนี้ไปเพื่อร <c oughs> ักษาระดับจิตให้คงอยู่กับเอกคัตตารูมหรือ อยู่กับอุเบกขาคือสักแต่ว่ารู้ไปแล้วก็ขั้นต่อไปถ้าเราสามารถคงระดับนี้ไว้ได้อย่างทั้งในขณะที่เราอยู่ในสมาธิและออกจากสมาธิมาเราก็สามารถเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์เพื่อระงับความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้ต่อไปคุณภาวโนท o t เราเคยมีความคิดปร r มา m a พระอริยบุคคลแล้วได้มีการระยะระงับยับยัง้งหยุดในการวิพากษวิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวพฤติกรรมดังกล่าวจะมีผลต่อการปฏิบัติธรรมและการเห็นธรรมของเราไหมครับคือการปรามา m a ก็แปลว่าการดูถูกดูแคลน <c oughs> ในความสามารถของผู้เมื่อเราไปดูถูกเขาแล้วเราก็คงจะไม่ไปหวังอะไรจากเขา ไม่ได้ไปหวังที่จะเรียนรู้จากเขาหรือรับความช่วยเหลือจากเขาเราก็จะไม่ได้ประโยชน์ส่วนนี้ไปเท่านั้นเองฉั้นเราไม่ควรจะปามากคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นอย่างไรข้างนอกอาจจะดูแบบแบบซอมแซมแบบดูเหมือนแบบเป็นขอทงขอทานหรือแบบดูแล้วมันไม่สง่าผ่าเผยแต่ข้างในนี้อาจจะเป็น อ <S <S ก็เรียกอะไรทองหอ่อผ้าคี่ลิ้วก็ได้ผ้าคี่ลิ้วห่อทองก็ได้พระอริยะบุคคลแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีหลายรูปที่ท่านเป็นผ้าคี้ลิ้วห่อทองอยหลวงปู่เจ๊ะนี่ท่านก็เป็นผ้าคี่ลิ้วห่อทองกิริยาการข อ, องท่านนี่แบบว่าไม่ค่อยสํารวมท่าทางดูคือไม่เรียบร้อยเป็นผ้าพับเหมือนผ้าที่เขาสํารวมกันนั่งแล้วไม่กระดิกเลยอันนี้ แต่ท่านนี้อาจจะกระดุกกระเดกอยากจะพูดจาอะไรก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเรียบร้อยมากท่า น, นเวลาใครมาทำบุญกับท่านบางทีท่านก็ถามมาทำไมวะ <c oughs> อย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องอุปนิสัยของท่านมันไม่ใช่เป็นกิเลสของท่านาเวลาเราดูคนเราถ้าเราดูไม่เป็นก็อย่าพิ่งไปปรามาสใครข้างนอกอาจจะเป็นขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วเนะ่ะ แต่ข้างในอาจจะเป็นทองคำก็ได้ฉะั้นต้องใช้ต้องดูต้องฟังคำสั่งคำสอนของท่านเป็นหลักดีกว่าพวกที่ข้างนอกสวยงามเป็นผ้าไหมผ้าแพรแต่ข้างในนี้มีแต่ขี้มีแต่ขี้โลกขี้โกรธขี้หลงนะั้นต้องดูคนต้องดูใช้ระยะเวลาดูดูคนนี้ท่านบอกว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าม้าจะดีไม่ดีม้าจะวิ่ง เก่งไม่เก่งนั่งดูระยะทางที่เขาวิ่งคนก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาในเวลาเราเจอใครเห็นใครปั๊บนี่อย่าไปเมาเลยว่าโอ้เป็นพระอริยแล้วโอ้เป็นพระขี้เลี้วพระไม่ได้เรื่องได้ลาวแล้วมันต้องดูนานๆคนเราถึงจะเห็นหลายภาพหลายมิติด้วยกันถึงจะครบบริบูรณ์ ถ้าเห็นในช่วงหนึ่งท่านอาจจะดูงามช่วงหนึ่งท่านอาจจะดูไม่งามก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์บางทีท่านก็ดูดา่าอย่างน้องตานี่คนก็กลัวท่านมากท่านดูใครมานี่โดนดูโดนดา่าไม่อยากจะเข้าหากันก็มีแต่ท่านดูด้วยความเมตตาการดูของท่านเป็นการสั่งสอนแต่เราทางโลกนี้ไม่ไม่ชอบการสั่งสอนแบบนี้ชอบสั่งสอนแบบสวยงามพูดจาเรียบร้อย อย่าเธออย่าทำอย่างนี้นะมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างนี้มันไม่ถึงใจมันไม่เข้ามันไม่ถึงกิเลสพูดง่ายกิเลสไม่กลัวคําสอนแบบนี้มันต้องตะอคอกใส่บ้างอเลยมันถึงจะถึงกิเลสถึงใจอย่างนั้นก็อย่าไปปรามาตใครเลยเถิดปะถ้าจะปรามาตรปรามาตรตัวเราเถอดแล้วเราวิเศษขนาดไหนเราถึงกล้าไปปรามาตคนอื่นทั้งที่เราไม่รู้เนื้อแท้ของเขาว่าเขาเป็นยังไง เศรษฐีบางคนเขาปลอมเป็นขอทานก็มีเยอะแยะจะมาดูว่าเราปรามากเขาหรือเปล่าถ้าไม่ปรามากเขาดีไม่ดีเขาคว้างเงินคว้างเงินเป็นเงินเหมือนเงินแสนมาให้เราก็ได้เพราะเห็นว่าเราเป็นคนดีไม่ปรามากใครไม่ดูถูกดูแคลนใครแต่เราเป็นคนดูถูกดูแคลนนี่จะไม่ค่อยมีใครเขาให้ความสําคัญด้วยนั้นควรจะปรามากตัวเราดีกว่ามาเรานี่เลวเราไปปรามากคนอื่นทําไม มันไม่ใช่เรื่องของเราเท่าหน่อยเขาจะดีเขาจะชั่วมันมันเป็นเรื่องของเขาแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาดีหรือชั่วจริงหรือไม่คุณกมล์มีสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งมีความเป็นไปได้ไหมครับที่พระอรหันต์เมื่อดับขันไปแล้วแต่อัตถิไม่แปลเป็นประธาตุเป็นไปได้ถ้าท่านบรรลุธรรมแล้วก็ตายไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมได้ไม่นาน อย่างนี้โอกาสที่จิตบริสุทธิ์จะฟอกร่างกายให้เป็นพระธาตุมันก็มีเวลาน้อยเหมือนกับเราแช่ผ้าเนี่ยนะเราซักผ้าถ้าราวผ้าเข้าไปจุม่มจุ่มน้ำเสร็จพอเปียกก็เอามาบิดอะไรเงี้ยมันก็ของที่สกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้ามันก็ยังค้างอยู่ แต่ถ้าเราแช่ไว้นานๆเรามักจะแช่แช่ผ้ากันใช่ไหมเวลาเราซักผ้าสมัยก่อนสมัยนี้มันมีเครื่องแล้วก็เลยไม่ได้แช่มันก็แช่อยู่ในเครื่องเครื่องกว่าจะซักมันก็มันต้องใช้เวลาให้มีเวลาซักฟอกสิ่งโสโปรปกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าฉนันใดจิตสาดก็เป็นเหมือนผงซักฟอกที่จะซักฟอกร่างกายโดยเฉพาะกระดูกนี่ให้กายเป็นพระทาตขึ้นมาได้ ก็เป็นไม่ได้ดันั้นเราก็อย่าไปปรามาท่านที่ท่านไม่กระดูกขะงท่านไม่ได้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาแต่ถ้าคําสั่งคําสอนของท่านความประพฤติปฏิบัติของท่านนี้สวยงามไม่มีอะไรที่ตําหนิบกพร่องสามารถเอาคําสอนไปปฏิบัติไปบรรลุธรรมได้ก็ก็ถือว่าท่านก็เป็นผู้บรรลุธรรมมาแล้ว คำถามที่สองพระอาจารย์ตอบแล้วค่ะถึงเหตุผลค่ะคำถามต่อไปของคุณ A D A มีสองคำถามค่ะผู้ที่เห็นอริยศัสตร์ในใจแท้จริงคือพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปใช่ไหมคะคือต้องตัดสังโยชน์สามเบื้องต้นได้ใช่เบื้องต้นก็ต้องละเวลาทุกข์กับร่างกายใจทุกข์กับร่างกายเช่นเป็นมะเร็งไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็ง อยู่ได้ไม่นานตอนนั้นใจถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเห็นอริยสัจใจทุกข์แล้วแต่ทีนี้ถ้าอยากจะให้ทุกข์ายทำยังไงก็ค้นหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรมันมีความเหตุของความทุกข์มันมีอยู่เหตุของความทุกข์ก็คือความอยากไม่ตายนั่นเองแล้วก็วิธีที่จะละความอยากไม่ตายนี้ได้ยังไงก็ต้องใช้ปัญญาดูความจริง อยู่ความจริงว่าร่างกายนี้อยู่ไปตลอดไม่ตายได้หรือไม่หรือว่ามันจะต้องมีวันตายวันใดวันหนึ่งถ้าดูคุ้ด้วยปัญญาก็จะเห็นว่ามันต้องตายแน่ๆวันใดวันหนึ่งไปอยากให้มันไม่ตายก็ไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันตายได้เนี่นไปทุกขไปเปล่าๆเ น, นก็ยอมตายซะพอยอมตายแล้วก็หายทุกเลยอันนี้นแหละคือละตากยาทิฏฐิ เห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วต้องดับไปถึงเมื่อถึงเวลามันจะดับก็ไม่มีใครไปยับยั้งไปห้ามมันได้เห็นเป็นอนัตตาพอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะละความอยากได้อยากความอยากไม่ตายได้พอละความอยากไม่ตายได้ความทุกข์ที่อยู่ในใจก็หายไปหมดใจกับเป็นปกติเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมอนหายจากโรคมะเร็ง ทั้งที่ทั้งทั้ที่โรกมะเร็งก็ยังกินนั่งกายอยู่แต่ใจนี้เป็นเหมือนคนหายจากโรคมะเร็งไปแลนะ้วใจนิเย็นใจสบายตายอย่างสงบอันนี้ลหละคือการเห็นอริยสัจสี่ต้องเห็นทั้งให้ครบทั้งสี่องค์เห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นมรรคคือปัญญาคือตายรักแล้วก็เห็นนิโรดคือการดับของความทุกข์ถึงจะเห็นครบขบวนการของพระอริยสัจ ถึงจะเป็นผู้เงินผู้บรรลุธรรมได้แล้วจะไม่สงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแสดงปรากฏขึ้นมาในใจของตนคืออริยสัจสี่ก็ไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วก็ไม่สงสัยว่าพระอริยสงฆ์คือใครก็ผู้ที่เห็นนี่แหละผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคือพระโสดาบัน ก็คือผู้ปฏิบัติผู้ที่เห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นธรรมก็เห็นอริยสัจ ส, สีก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่สงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมจะรู้ว่าทําบาปก็จะต้องทุกข์ทุกข์นี้เกิดจากการทําบาปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปทําบาปถ้าไม่อยากจะไปเกิดในอบายก็อย่าทําบาปพาริยะบุคคลทุกองค์ก็จะไม่สงสัยในเรื่องของศีลไม่รูปคําศีลอีกต่อไป แต่รักษาสีนิ่งกว่าชีวิตนี่นี้คือสังโยสังข้อมันจะละพร้อมมันจะได้พร้อมๆกันแทรละข้อสังกสกยาทิฐิได้มันก็จะอีกสองข้อก็เป็นบริวารตามมาคำถามที่สองส่วนปุถุชนที่ยังฝึกอยู่เห็นไตรลักษณ์ได้ไม่ตลอดเวลายังไม่ถือว่าเห็นอริยสัจใช่ไหมคะก็เรียกว่ากำลังเจริญมรรคอยู่ก็ได้ ในคาราวนี้เราหมั่นพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของธรรมชาติพิจารณาไปเรื่อยๆ เ, เพื่อสอนใจพอเวลาไปเจอทุกข์เข้าจริงๆจะได้ใช้ใจรักนี้มาละตัณหาความอยากได้ความอยากไม่ตายได้ความอยากไม่เจ็บได้พอละได้ปับ๊บความทุกข์ก็จะดับไป คุณทิติชยาธรรมโอสถผู้ที่จะใช้ได้จะเข้าใจได้จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามระดับขั้นหรือเปล่าเจ้าคะเช่นระดับโสดาบันขึ้นไปก็ระดับโสดาบันก็ได้ระดับธรรมดาก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปละขั้นที่มันขั้นสังโยชน์อาจจะทุกข์กับเรื่องเงินทองอย่างนี้กลัวจะล้มละลายกลัวเขาจะมายุดบ้านนี้พอพิจารณาว่าบ้านก็ไม่ของกู ว่อาศัยเขาอยู่เช่าเขาอยู่เอาเงินธนาคารมาซื้อเนี่ยไม่ใช่เงินของเรามันก็ไม่ใช่บ้านของเรานี่ธนาคารก็จะมาเอาคืนไปก็ต้องให้เขาคืนไปคืนก็คืนไปยอมไปอยู่วัดก็ได้ไปบวชก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่ทุกขนะ์แล้วล้มละลายก็ล้มไปอันนี้ก็จะอใช้ธรรมโอสฐในระดับปุตุชนอยู่านยะทุกข์เราก็ใช้ธรรมใต้รักเหมือนกันแต่มันเรื่องของล า, ลาบยศสรรเสริญสุขมากกว่า ไ ม, ไ, ไ, ไม่ได้ไปถึงระดับของอขันห้าขันห้านี่ระดับสูงกว่าลึกกว่ายากกว่าระดับราบยสารเสริญเพราะมันยังเป็นของนอกกายอยู่มีรากก็ต้องเจริญรากก็ต้องเสริมราบคิดอย่างนี้มียศก็ต้องเสริมยศใี่ไหมตอนนี้ถกเถียงกันว่าแปดปีจะจบเมื่อไหร่รู้ไหมพูดถึงใครเนี่ยแปดปีจะจบเมื่อไหร่ถ้ายอมรับว่าแปดปีจบวันนั้นวันนี้ก็จบความทุกข์ก็หายไป ถ้าไม่ยอมรับอยากจะให้มันไปถึงนู่นอีกสี่ปีให้นับอีกสี่ปีแล้วมันก็จะทุกข์มันก็จะเครียดขึ้นมาเะฉนั้นต้องยอมรับความจริงต้องมองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันมีวันวันชิ้นอายุวันหมดอายุเฉนั้นถ้ายอมรับกับความจริงอันนี้ได้มันก็จะไม่ทุกข์เสื่อมรากก็เสื่อมเสื่อมยอดก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมสรรเสริญก็เสื่อมมันดีคือดีคนที่เคยยกย่องสรรเสริญเรากลับมาดาเราก็ได้ เสื่อมความสูขทางรูปเสียงกลิน่นรดพอเสียคนที่เราลาักไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ธรรมโอสถได้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องมีวันเสื่อมเราอยากพยายากให้มันไม่เสื่อมถ้ามันเสื่อมก็ให้มันเสื่อมไปเขาจะไปก็ปล่อยให้เขาไปเขาจะให้เราพ้นตําแหน่งก็พ้นไปตอนนั้นนี้เขาจะยึดทรัพย์ก็ยึดไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจมันก็จะไม่ทุกข์เพราะมีธรรมโอสถ เห็นเหนไตรลนะักษณเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงคุณจรัญญาเมื่อคืนโยมไปปฏิบัติธรรมวันพระมีสวดมนต์ <_ V> เดินจงกรมนั่งสมาธิและทำวัดเช้าตอนตีสี่ได้นอนหนึ่งชั่วโมงตอนสวดมนต์ื่องเที่ยงคืนรู้สึก ง, ง่วงมากแต่มองเห็นอนาควตว่าเดี๋ยวก็สวดเสร็จแล้วไปเดินจงกรมให้อดทนเอาก็สวดมนต์ต่อได้เลย ในน้อมเข้ามาที่ตัวเองว่าชีวิตนี้มีจุดหมายปลายทางคือความตายจึงไม่ควรประมาทในแต่ละขณะให้ทำหน้าที่นั้นๆโยมพิจารณาเช่นนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องแนละ้วให้ทำให้มากขึ้นไปอย่าทำแต่เฉพาะวันสำคัญเ น, นั้นเองวันพระหรือวันอะไรอันนี้วันพระวันสำคัญก็อาจจะทาเป็นกรณีพิเศษแต่วันปกติก็ต้องทาต่อไปเหมือนกินข้าวเราก็ต้องกินทุกวัน มันเกิดเราก็เลี้ยงฉลองใหญ่หน่อยกินมากหน่อยเพราะเป็นวันเกิดของเราแต่ถ้า ว, วันอื่นเราไม่กินเราก็ผอมตายทำก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการให้อาหารจิตใจอ ม, มัวแต่ให้แต่รอวันเกิดวันสำคัญปีลรมีสองสามวันวันอื่นใจก็ผอมตายยังต้องทาทุกวันทำให้มากขึ้นตามลาดับตามกำลังให้ได้คุณแบ ม, แบม อปปนาสมาธิคือออกจากสมาธิแล้วยังสงบใจได้อยู่ใช่ไหมคะและต้องได้แบบนี้ก่อนจึงไปทางปัญญาแบบนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะถูกต้องถ้าอยู่ยสมาธิได้นานก็เหมือนอน้ำที่แช่ในตู้เย็นอยู่ไว้นานถ้าแช่ไว้ในตู้เย็นนานเวลาออกมาจากตู้มันก็ยังจะเย็นนานกว่าที่มันจะหายเย็นแต่ถ้าแช่แป๊เดียวแช่แค่านาทีสองนาทีแล้วก็ออกมาน้าก็ยังไม่ทันเย็น ใจก็แบบเดียวกันสมาธิก็เป็นเหมือนตู้เย็นของใจถ้าอยากจะให้ใจเย็นหลังจากออกจากสมาธิมา <c oughs> ก็ต้องให้มันอยู่ในสมาธินานๆไปก่อนแล้วพอออกมาถ้าใจเย็นก็สามารถที่จะมาดูทางปัญญาได้ถ้าใจร้อนดูไม่ได้ใจร้อนมันจะถูกกิเลสมันครอบงำไปหมดเห็นอะไรก็เป็นนิจจังสุขขังอนัตตาไปหมดแต่ถ้าใจเย็นแล้วมันก็จะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ คุณเอดใจปุตุชนยังกระเพื่อมตามแรงบุญคืออิ่มใจสุขใจได้ทุกเรื่องแต่พระโสดาบันได้อุเบกขาในเรื่องสังโยชน์สามที่ตัดไปได้ใช่ไหมคะแต่สังโยชน์ข้ออื่นยังวางอุเบกขาไม่ได้ใช่ยังยังเห็นคนสวยคนหล่อยอยู่เห็นแล้วยังอยากให้เขามาเป็นแฟนเราอยู่แล้วก็ยังเห็นยังถือตัวตนอยู่ถือว่าเราเก่งกับคนนั้น สวยกับคนนี้สวยกับคนนั้นสวยกับคนนี้อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเป็นเป็นสังโยชน์อยู่ที่จะฟ้องละต้องเห็นว่าทุกคนเหมือนกันดื่มน้ำลมไฟเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันดีชั่วก็อยู่ที่บุญที่กรรมของแต่ละคนเท่ากันแล้วต่อไปก็จะไม่ดูถูกดูแพนใครไม่แบอะไรกับใครไมเฉยคุณป้อมธิติมา เวลาฟังธรรมของครูบาอาจารย์แล้วน้ําตาชอบไหลเกิดจากอะไรเจ้าคะก็เรียกว่าปิต er. ิแบบหนึ่งนะปิติคือประทับใจเวลาที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรประทับใจเด็กสมัยนี้เวลาเห็นดาราเห็นนักร้องที่ประทับใจนี่กรี๊ดกันนะดน้ําตาไหลกันก็แบบเดียวกันะการทำธรรมะก็เป็นลดแห่งทังก็เป็นโนตอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เกิดความประทับใจได้